เรื่องอนุภาแห่งชาญวันหนึ่งฝนตกฟ้าผ่าต้นพงใหญ่คือไม้กุ่งย่ำลงมาตั้งแต่ยอดตลอดรากแก้วราบเรียบไปเลยต้นพงใหญ่นั้นอยู่ใกล้ๆศาลาแต่ฝนซาบ้างแล้วขณะนั้นสามเณรจันใดกำลังถือกาน้ำร้อนจะไปกุฏิท่านพระอาจารย์ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตร ไม่ได้ยินเสียงไม่รู้สึกว่าฟ้าผ่าผู้เล่าเตรียมลงจากกุฏิไปเห็นเข้าจึงรู้ว่าฟ้าผ่าพระเนรในวัดประมาณสิบรูปไม่มีใครได้ยินเสียงส่วนท่านพระอาจารย์กำลังทำสมาธิท่านก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงเมื่อพระทยอยกันขึ้นไปท่านได้ถามก่อนว่าเห็นฟ้าผ่าไม้กุงไหม พระที่อยู่ทางอื่นก็ไม่เห็นส่วนผู้เล่าพระอาจารย์คงมาจิราปุญโยและพระอาจารย์หลอดปโมทิโตได้เห็นท่านบอกว่าผ่าขณะสามเณรจันใดเดินมาถึงพอดีแต่สามเณรบอกว่าได้เห็นแต่ไม่ได้ยินผู้เล่าคิดว่าดยอนุภาพแห่งฌานของท่านเพราะช่วงนั้น ท่านกำลังเข้าฌานอยู่พวกเราจึงไม่ได้ยินแต่ชาวบ้านอยู่ในทุกนาห่างไกลออกไปกลับต้องหมอบราบติดดินเพราะกลัวเสียงซึ่งดังมากเขาเล่ากันว่าเรากับผ่าอยู่ใกล้ๆทีเดียว